หังมาตาปิดตุนังปาเทวันธมิอาหังมาตาปิดตุนังประเทวันธมิมาาธมข้าพระเจ้าขอกราบแทบเท้าทั้งสองของแม่และพ่อพระอรหันต์ที่จำพันษา